วันนี้เป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมกำลังของศรัทธาความเชื่อภาษาทาความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่เป็นเพชรอันประเสริฐเพชรที่มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้คุณค่าของพระรัตนตรยัยทำไมเราจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระรัตนตรยัยรัตนาก็แปลว่าเพชรเงินจินดาอัญมณีที่มีคุณค่าราคา ใจแปลว่าสามะ า, าตรตะไารก็คืออัญญามนีอันมีคุณค่าราคามหาศาลอยู่สามชิ้นด้วยกันสามเม็ดด้วยกันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้า ทำไมท่านจึงเปรียบเหมือนกับเป็นอัญญมณีเพชรดินจินดาอันนําค่าเพราะคุณประโยชน์ของท่านนั้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินนั่นเองคุณประโยชน์ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้ มีพระคุณอันมหาศาลต่อพวกเราที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาเปรียบเทียบได้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะมีคุณค่าราคามากมายกายกองแต่คุณประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้น ไม่สามารถทําคุณประโยชน์แบบที่พระรัตนตรัยจะทําให้กับพวกเราได้นั้นเองคุณประโยชน์ของพระรัตนตรัยจึงล้นฟ้าล้นแผ่นดินมีคุณค่ามาหาศาลถ้าเราคิดว่าเพศเด่นจจ น, นดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มีคุณค่าราคามหาศาลถ้าเราเอามาเปรียบกับพระรัตนาตายแล้วก็เหมือนกับเอาก้อนหินไปเปรียบกับเพชรอันล้าค่านั่นเองนะเพชรเนินเจนดาต่างๆที่มีคุณค่าราคาที่พวกเราเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้นั้นเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับ พร ะ, ะรัตนใจแล้วก็เป็นเหมือนก้อนหินเท่านั้นเองเพราะคุณประโยชน์ที่พร ะ, ะรัตนใจจะทำให้กับพวกเราได้นี้เพชรนินจินดาของมีค่าต่างๆของโลกนี้ไม่สามารถทำได้นั่นเองเพชรนินจินด า, าต่างๆนี้ที่มีอยู่ในโลกนี้เราสามารถเอามาให้ความสุขกับเรา และกำจัดความทุกข์ต่างๆให้กับเราได้ในแบบช่วคราวเท่านั้นเองความสุขต่างๆที่เราหากันด้วยการเอาของล้ำค่าไปแลกเปลี่ยนเช่นเรามีเพชรนินจินดาเราเอาไปขายหรือเอาไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดต่างๆอยากได้บ้านก็ เอาไปแลกได้อยากได้รถยนต์ก็เอาไปแลกได้อยากาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็เอาไปแลกได้ขาดแคลนอะไรทางร่างกายคือปัจจัยสี่ก็สามารถไปแลกเอามาได้ขาดแคลนอาหารก็เอาเพชรนินจินดาไปแลกอาหารมาได้ ขาดเสื้อผ้าก็เอาไปแลกมาได้ขาดที่อยู่อาศัยก็เอาไปแลกมาได้ขาดยารักษาโรคของร่างกายก็เอาเพชรเนินจินดาที่เรามีไปแลกยารักษาโรคมารักษาร่างกายของเราได้แต่สิ่งที่เพชรเนินจินดาต่างๆนี้ไม่สามารถมาแลกได้ก็คือ การกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดสิ้นไปอย่างถาวรเรากำจัดความทุกข์ต่างๆด้วยเพชรนินจินดาได้แบบชั่วคราวหาความสุขจากเพชรนินจินดาได้แบบชั่วคราวแต่จะไม่สามารถหาแบบถาวรได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรตอนนี้เราทําได้ก็เพียงแต่เวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ไปหาความสุขกันอยากจะไปดูภาพยนตร์เราก็ดูกันอยากจะฟังเพลงเราก็ฟังกันอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็ไปกัน เวลาเราไปเราก็ได้ความสุขจากการกระทําเหล่านี้แต่พอเรากลับมาบ้านความสุขเหล่านี้มันก็หายไปหมดมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อิ่มไม่พอถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วมันต้องให้ความอิ่มความพอกับเราไม่ต้องหามาอยู่เรื่อยๆถ้าต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่า ของที่เราความสุขที่เราเคยได้มามันหายไปแล้วเราจึงต้องไปหาใหม่ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวพอกลับมาบ้านมันหายไปแล้วมันทำให้เราเกิดความอยากไปเที่ยวอีกอยากจะไปหาความสุขแบบนั้นอีกนี่คือสิ่งที่เพชรนินจินดาของที่มีค่า ที่มีอยู่ในโลกนี้จะทำให้กับเราได้ก็คือให้ความสุขกับเราแบบชั่วคราวได้กำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจแบบชั่วคราวได้แต่จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์แบบถาวรได้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขแบบถาวรกับเราได้แต่พระรัตนตัยนี้แหละ กับทำได้บรัตนาตายจะให้ความสุขแบบถาวรกับเราได้จะกมจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรได้บรัตนาตายจึงกลายเป็นของที่ล้ำค่าเมื่อมาเปรียบเทียบกับเพชรนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงจะมีคุณค่าราคามากมายก็ตาม แต่พอไปเปรียบกับพระตนาตตายก็เหมือนกับเอาก้อนหินไปเปรียบกับเพชรน้ำหนึ่งนั่นเอง เ, อเพชรน้ำหนึ่งนี้มีราคาหลายสตางค์ก้อนหินก้อนหนึ่งนี้แม่แทบจะไม่มีราคาเลยเหยิบก้อนหินไปแล้วเอาไปแลกเป็นเงินนี่เขาบอกเอามาทำไมเขาโยนทิ้งไป แต่ถ้าเอาเพชรน้ำหนึ่งไปแลกเงินนี้เขาอาจจะให้มาหลายล้านบาทที่ด้วยกันนี่แหละคือความความแตกต่างระหว่างพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นอันไมะน่อัญมณีอันน้ำค่าแบบหนึ่งกับอัญมณีที่มีคุณค่าราคาที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อมาเปรียบเทียบถึงคุณประโยชน์ ที่อัญญามณีสองแบบนี้จะทำประโยชน์ให้กับเราได้แล้วภารตนะฏใจนี้เป็นอัญญามณีที่้ําค่าอย่างแท้จริงเพราะทาหน้าที่ที่เราต้องการให้ทําได้อย่างแท้จริงนั่นเองคือกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวอและสร้างความสุข อันยิ่งใหญ่ให้อยู่กับเราไปได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทําคุณประโยชน์แบบนี้ให้กับเราได้ต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ตามเป็นพระมหาจักรพรรดิของโลกก็ตามยุคนี้เราต้องยกให้ว่าการเป็นประธานาธิบดี ของประเทศมหาอำนาจนี่ถือว่าเป็นเหมือนมหาจักรพรรดิเนี่แต่การเป็นประธานนัสิปิะดีหรือเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังไม่สามารถเอาความสุขที่ถาวรมาได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์แบบถาวรได้มีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้ในเบื้องต้น คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เองพระพุทธเจ้าของเรานี้สามารถคว้าความสุขที่ถาวรมาครอบครองได้สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ของท่านให้หายไปหมดได้อย่างถาวรไม่มีความทุกข์ต่างๆหลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้า มีแต่บรมมุมสุขความสุขอันมหาศาลที่มีอยู่ในใจของพระองค์เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่แหละบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในนั้นเองเราให้เป็นพระราชามหากรย์มหาจัากรพรรด เป็นปราธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอันสูงสุดของโลกบุคคลเหล่านี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนเปรียบเทียบฟ้ากับดินนั้นเองนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า เมื่อปรากฏมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็สามารถเอาความสามารถของพระองค์นี้มาผลิตพระรัตนะไตรอีกสององค์ขึ้นมาเพื่อมาทำหน้าที่แทนพระองค์ได้คือองค์ที่สองของพระรัตนะไตก็คือพระธรรมรัตนะพระธรรมรัตนะนี้ก็เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เอง เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันสอนธรรมะสอนวิธีสร้างความสุขที่ถาวรสอนวิธีที่กำจัดความทุกข์ที่ถาวรให้แก่ผู้ที่สนใจอย่างพวกเราพวกเรานี้ทุกอยากได้ความสุขที่ไม่มีวันจบไม่มีวันหายไม่มีวันหมด อยากกำจัดความทุกข์แบบไม่ให้มันกลับมาอีกขอให้ร้องไห้เป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี้จะไม่ขอมีการร้องไห้อีกต่อไปพวกเราก็ต้องเข้าหาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีบุคคลสนใจที่อยากจะได้ความสุขที่ถาวรที่อยากจะกำจัดความทุกข์ ให้หมดสิ้นไปอย่างทาวรก็มุ่งไปหาพระพุทธเจ้ากันไปฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเสร็จเข้าใจว่าต้องเอาไปทำอะไรก็นำเอาไปทำตามที่ทรงสั่งสอนพอไปทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรและสร้างความสุขที่ไม่เคยมีอยู่ในใจอย่างถาวรให้เป็นความสุขอย่างทาวอนอยู่ในใจไปตลอดบุคคลที่สำเร็จบุคคลที่บรรลุผลจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระรัตนตรยัย พระรัตนองค์ที่สามขึ้นมานั่นเองที่เราเรียกว่าพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยผลก็เลยปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยได้บรรลุพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือขัน้นพาาระอรหันตสาวกขั้นที่ได้รับความสุขที่ถาวรและกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรพระรัตนะทั้งสามนี้ก็ช่วยทาหน้าที่เผยแผ่คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ถาวร และการสิ้นสุดของความทุกข์ที่ถาวอนก็เลยปรากฏมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกของผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอย่างถาวอนของผู้ที่ต้องการความสุขที่ถาวอนก็จะเข้าหาพระพุทธก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน แล้วพอได้เข้าหาได้ปฏิบัติตามได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามก็ไม่ผิดหวังได้หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากเป็นผู้ที่มารักษามาสืบทอดพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้พวกเราผู้เป็นเหมือนลูกหลานนี้ก็ ได้รับมรดกการร่ำค่าจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากพระพุทธเจ้าจากพระอาลัยสงสาวกทั้งหลายที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการกันก็คือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างถาวอ ได้ความสุขอันมหัสจรรย์ใจอย่างถาหวนนี่แหละคือพระลัตนาใจที่พวกเรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อมีภะษาทความเลื่อมใสแต่พวกเรานี้มีมากมีน้อยเท่าไหร่อันนี้เราต้องมาประเมินกันถ้าเรามีมากเราก็ต้อง ปฏิบัติตามคำสอคำสอนมากถ้าเรายังแบ่งการกระทำของเราการหาความสุขของเราการกำจัดความทุกข์ของเราไปในทางอื่นอยู่ <mur> ก็แสดงว่าเรายังไม่มีศรัท ธ, ธาเต็มร้อยไม่มีประสาทะความเลื่อมสายเต็มร้อยเพราะเรายังมีความเสียดาย ขบวนการหาความสุขที่เราเคยหากันอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ตาม เ, ออเรายังเสียดายขบวนการของการกำจัดความทุกข์ที่เราเคยกำจัดกันถึงแม้จะเป็นแบบชั่วคราวเราก็ยังเสียดายมันอยู่เรายังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นที่จะ ทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับพระรัตนตรัยถ้าเรายังแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายอยู่ผลมันก็จะเป็นแบบสองฝักสองฝ่ายฝ่ายนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งฝ่ายนี้ก็ได้อีกครึ่งหนึ่งก็จะได้ไม่เต็มร้อยถ้าเรายังไม่เลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในเบื้องต้นก็อาจจะจำเป็นต้องเอาทั้งสองทางก่อนเพราะว่าเรายัางไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองในเบื้องต้นเราก็เป็นเหมือนเด็กอกนุบาลของโรงเรียนพระพุทธศาสนาเราก็ยังอาจจะไม่สามารถ เ, าเรียนใน เรียนในระดับเต็มร้อยคืออะไรระดับของมหาวิทยาลัยไน้เราก็ต้องเรียนในระดับอนุบาลไปก่อนปฏิบัติในระดับของอนุบาลไปก่อนเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับปถมก้าวขึ้นสู่ระดับมัธยมตามลำดับต่อไปจนไปถึงขั้นมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นเราก็อาจจะต้อง ทำทั้งสองรูปแบบไปก่อนเพราะว่าเรายัางต้องอยู่เรายัางต้องมีความสุขอยู่และเรายัางต้องคอยกําจัดความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆด้วยวิธีที่เราถนัดที่เราเคยทำกันเรายัางไม่ถนัดในวิธีที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้ทำ เราก็เลยยังต้องอาศัยวิธีเดิมไปก่อนแต่เราควรจะทำความเข้าใจไว้ในใจของเราว่าเรากำลังที่จะเปลี่ยนวิธีเราต้องการเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบชั่วคราวไปเป็นวิธีหาความสุขแบบถาวรกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวไปสู่ การกำจัดความทุกข์แบบถาวรเราก็ปฏิบัติไปแล้วเราก็จะก้าวขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับที่เราไปโรงเรียนวันแรกที่เราไปโรงเรียนเราไปเรียนที่ไหนกันเราก็เข้าอนุบาลกันแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีฮเราก็อยู่ขั้นปถมละ หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีก็อยู่ระดับมัธยมล่ะต่อจากนั้นไปก็เป็นระดับปริญญาจนในที่สุดก็ได้รับปริญญาบัตรมีความสามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆกําจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดายอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ตอนเริ่มต้น เราก็อาจจะทำได้ขั้นอนุบาลขั้นอนุบาลของพระพุทธศาสนาก็คือขั้นทาบุญทําทานเป็นขั้นแรกของการสร้างความสุขทางใจที่ถาวรกาจัดความทุกข์ทางใจที่ถาวร ล, ลองเริ่มต้นที่ขั้นที่หนึ่งคือการทาทานร่วมไปกับการหาความสุข กำจัดความทุกข์แบบที่เราเคยหากันวิธีที่เราหาความสุขกําจัดความทุกข์ก็คือการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงเกล็ดลอดต่างๆนี้เองซึ่งเป็นการหาความสุขแบบชั่วคราวเป็นการกําจัดความทุกข์แบบชั่วชั่วคราวเวลาเราไม่มีเงนินนี้เราจะรู้สึกทุกข์เราจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้ พอเราหาเงินมาได้เราก็บรรเทาความทุกขจากการขาดแคลนเงินทองได้เวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้ถ้าไม่มีเงินทองเราก็ซื้อไม่ได้เราก็เลยยังต้องหาเงินทองกันอยู่หายศหาตำแหน่งกันอยู่เพราะการมียศมีตาแหน่ง แสดงถึงพลังของการหาเงินนั่นเองมียศมีตำแหน่งก็มีอำนาจมีความสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองเราจึงยังต้องหาราบกันหายศกันหารางวัลกันพยายามทำอะไรให้ดีเด่นแล้วเราจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทน รางวัลก็คือเงินทองนี่เองที่เราจะได้เอาไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ขอให้เราทำความเข้าใจว่าต่อไปนี้การหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของเรานี้เป็นมาตรการชั่วข่าวเท่านั้นเป็นมาตรการที่จะทำหน้าที่แทน มาตรการใหม่ที่เรากำลังที่จะหัดเรียนรู้และหัดสร้างกันขึ้นมาคือมาตรการการหาความสุขแบบท้าวรมาตรการการกำจัดความทุกข์อย่างทาวรเราต้องการที่จะไปทางของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญและได้ทรงนำามามาเอยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา แต่ในเบื้องต้นเรายัางไม่สามารถที่จะทิ้งมาตรการเดิมได้เรายัางต้องหาราบยสศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหยู่แต่ขอให้เรามาแบ่งเวลากันให้มีเวลามาหาความสุขแบบถาวรกาจัดแบบความทุกข์แบบถาวรบ้างเช่นอาทิตย์หนึ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่า ให้เราเอาเวลาสักหนึ่งวันภายในสัปดาห์หนึ่งนี้ เ, เลือกเอาวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าวันพระให้เราหยุดภารกิจการงานต่างๆหยุดการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลถ้าพระแล้วเข้ามาหาทำกันมาหาพระรันตนไต ที่เป็นเครื่องมือหรือเป็นแสงสว่างบอกให้เราเห็นวิธีที่จะให้เราได้ความสุขที่ถาวรได้ความจัดความทุกข์อย่างถาวรถ้าเราไม่แบ่งเวลามาเลยเราจะไม่มีเวลาเราจะไม่มีโอกาสที่จะมีการเจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมได้ เราก็จะติดอยู่กับการหาความสุขกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวไปจนถึงวันตายแล้วพอตายไปก็จะไปทำแบบเดิมไปเกิดใหม่แล้วก็ไปหาความสุขแบบชั่วคราวกำจัดความทุกข์แบบชั่วคราวไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเรามีแบ่งวันที่เราจะมาใช้ในการหาความสุข แบบถาวรกาจัดความทุกข์แบบถาวรเราก็จะมีจุดเริ่มต้นเหมือนกับการเดินทางแม้ระยะทางจะยาวไกลเป็นพันกิโลก็ตามก็ต้องเริ่มจากก้าวที่หนึ่งนี่ถ้าเราไม่ก้าวที่หนึ่งออกจากบ้านการเดินทางก็จะไปไม่ถึงไหนเมื่อมีก้าวที่หนึ่งมันก็จะมีก้าวที่สองตามมา ถ้าเราเริ่มเดินแล้วเราไม่หยุดเดินอาจจะพักบ้างเวลาเหนื่อยแต่พอหายเหนื่อยเราก็เดินต่อไปต่อไประยะทางจะยาวไกลขนาดไหนเราก็สามารถเดินไปถึงได้ระยะทางจะยาวไกลกี่ร้อยกี่พันกิโลก็ต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกนี้เระยะทางของการไปสู่พระนิพพาน ไสู่บัลลมะสุขสู่ความสุขที่ถาวรสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ที่ถาวรก็ต้องมีการเริ่มต้นเหมือนกันมีก้าวแรกก้าวแรกของพวกเราก็คือวันพระนี่เองอย่างวันนี้เราจะเรียกว่าเป็นวันพระสําหรับพวกเราก็ได้เพราะคําว่าวันพระนี้หมายถึงวันที่เรา ไม่ต้องไปทำงานทำการไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นลดผดภนั่นเองพอเราหยุดการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผดถภาเราก็มีเวลาว่างที่จะมาหาธรรมกันที่เราจะมีเวลาเข้าหาพระรันตนตรัยมาศึกษามาเรียนรู้วิธี ของการสร้างความสุขที่ถาวรของการกำจัดความทุกข์ที่ถาวรพอเราได้เรียนรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยการเรียนรู้ทางศาสนานี้กับการปฏิบัตินี้ไม่ได้แยกกันทําพร้อมๆกันไปเหมือนกับการเรียนที่ในโรงเรียนครูสอนให้นักเรียนเรียนอะไรนักเรียนก็เรียน เอาไปทาการบ้านแล้วก็สอบกันไปเป็นชั้นชั้นไปไม่ได้ยากแบบที่สมัยนี้เขาทากันสมัยนี้เขาให้เรียนนักธทมตีโทเอกแล้วก็ให้เรียนบาลีหนึ 10, ่งถึงสิบหนึ่งถึงเก้าแล้วค่อยไปปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นการเข้าใจผิดการเรียนกับการปฏิบัตินี้ต้องไปพร้อมๆกันเพราะว่า ถ้าไม่ปฏิบัติเรียนอย่างเดียวเอพอจะมาปฏิบัติก็ลืมไปหมดแล้วเพราะเรียนมากจนไม่รู้ว่าจะปฏิจะเริ่มต้นการปฏิบัติที่ไหนเพราะเรียนกันแบบตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นระดับมหาวิทยาลายัยพอมาปฏิบัติก็เลยสับสน อ, อยากจะปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัยกันแต่ยังไม่มีพื้นฐานที่จะปฏิบัติได้ ถ้าไม่เริ่มต้นปฏิบัติในระดับอนุบาลขึ้นไปก่อนก็จะไม่มีกำลังที่จะไปปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยได้จึงจําเป็นที่จะต้องเรียนและทมปฏิบัติไปตามระดับของตนเรียนระดับอนุบาลก็ปฏิบัติระดับอนุบาลเรียนระดับปถมก็ปฏิบัติระดับปถม เรียนระดับมัธยมอุดมศึกษาก็ปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่เรียนไปควบคู่กันไปนี่คือวิธีของการเรียนศึกษาที่ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นวันนี้เป็นวันพระเราก็มาเรียนวิธีการปฏิบัติตา่ตางๆซึ่งเราอาจจะได้ยินได้ฟังหลายระดับด้วยกัน เพราะว่าผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัตินี้อาจจะอยู่ระดับต่างต่างกันนั่นเองบางท่านอาจจะอยู่ระดับ อ, อนุบาลบางท่านอาจจะอยู่ระดับประถมบางท่านอาจจะอยู่ระดับมัธยมอยู่ระดับอุดมศึกษาเวลาครูสอนก็เลยต้องสอนไล่ไปจากระดับอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษาเลยแต่ผู้ัง ผู้ฟังผู้ศึกษานี้ต้องรู้ตนเองว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในระดับไหนปฏิบัติในระดับนั้นได้สำเร็จได้ยังถ้ายังปฏิบัติระดับนั้นยังไม่สำเร็จถ้าจะไปปฏิบัติขั้นที่สูงกว่าที่ยากกว่าย่อมเป็นไปได้ยากย่อมย่อมได้ย่อมไม่ได้ผลจึงควรปฏิบัติขั้นของตนให้ได้บรรลุผลก่อน แล้วถึงค่อยปฏิบัติขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงต่อไปตามลำดับนี่คือขั้นแรกคือศึกษาศึกษาว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนพระพุทธเจ้าสอนอนุบาลคือทำทาน ขึ้นไปจากอนุบาลปฐมก็รักษาศีลศีลก็มีหลายระดับศีลห้าศีลแศีลสิบศีลสองยี่สิบเจศีลสามร้อสิบเอ็ดหรือว่าขึ้นไปก่อนนั้นก็เป็นขั้นสมาธิการฝึกจิตใจให้สงบเย็นสบายแล้วเหนือขั้นต่อ น, นั้นก็คือขั้นปัญญาการศึกษาความเป็นจริงของ สภาวะธรรมทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจก็คือศึกษาพระอริยสัจสีศึกษาตรลักนอันนี้เป็นการรมของแต่ละขั้นซึ่งจะต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นขั้นขึ้นไปจะข้ามขั้นไม่ได้ข้ามขั้นก็จะตกชั้นอยู่ดีคนที่ยัง เรียนไม่จบปถมจะไปเรียนมัธยมก็เรียนไม่ได้สู้เขาไม่ได้เวลาอาจารย์สอนก็สอบตกนก็ต้องเรียนไปตามขั้นตอนของตนนแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของตนไปนขั้นแรกก็สอนให้ามาทําบุญทําทานกันวิการจะทําบุญทําทานนี้ทุกคนสามารถทําได้ทั้งนั้น ถ้าทุกคนมีเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ทุกคนมีเงินที่จะมาทาบุญกันเพราะเงินที่พระพุทธเจ้าให้เอามาทาบุญก็คือเงินที่เราจะไปซื้อความสุขแบบชั่วคราวนี่เองเวลาที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นของที่เราชอบที่เห็นแล้วสวยงงามซื้อมาแล้วจะให้ความสุขกับเรา นี่แหละคือเงินที่เราจะเอามาใช้ในการทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าไม่ให้เราเอาเงินที่เราจะต้องซื้อกับของจำเป็นเช่นเงินที่ต้องซื้อกับอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเงินเหล่านี้ต้องเก็บเอาไว้ซื้อของจำเป็นแต่ให้เอาเงินอีกส่วนหนึ่ง เงินที่เราจะไปซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสดซื้อไปดดูภาพยนตร์ไปไปโรงละครไปโรงมหัศลสพไปศูนย์การค้าไปที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็ต้องใช้เงินกันเพื่อที่เราจะได้ซื้อความสุขแบบชั่วคราวกัน พระพธเจ้าบอกให้มาเปลี่ยนซื้อความสุขแบบถาวรดีกว่าโดยการเอาเงินเหล่านี้เงินที่จะไปซื้อความสุขชั่วคราวมาซื้อความสุขแบบถาวรความสุขแบบถาวรที่เกิดจากการใช้เงินถามก็ซื้อบุญซื้อกุศลซื้อบุ ญ, ซ, บญซื้อทานนี่เองด้วยการทำบุญทําทานทำทานททานี่เราก็จะได้บุญบุญนี่จะจีรังถาวรกว่า ความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวกันเพราะว่าบุญนี้จะอยู่ติดกับใจไปนานกว่าและจะให้ความอิ่มความพอได้นานกว่าแล้วก็มีประโยชน์หลังจากที่เราตายไปแล้วด้วยหลังจากที่เราตายไปเราต้องอาศัยบุญเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ของพวกเราแล้วเวลาถ้าเรายัง ไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเวลาเรากลับมาพบหน้าชาติหน้าบุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารคนที่ทำบุญนี้กลับมาจะมีฐานะร่ำรวยกว่าเก่าเพราะว่านอกจาก เ, าเงินทองที่ฝากไว้แล้วยังมีดอกเบี้ย ด, ด้วยทำบุญร้อยบาทกลับมาอาจจะเบิกได้เป็นหมื่นบาทแสนบาทก็ได้ ถ้าทำบุญเรื่อยๆแล้วได้รับประโยชน์ทั้งปัจจุบันทั้งขณะหลังจากที่ตายไปแล้วและทั้งเวลาที่กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> ก็ยังได้รับประโยชน์จากบุญที่เราได้ทากันด้วยการทำทานงเงินทองทุกบาทที่เราเสียไปด้วยการทำบุญทำทานนี้ได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลกว่าเงินทองที่เราเอาไปใช้ กับการเที่ยว ก, กับการซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆท่านเปรียบเทียบว่าเงินที่เราเอาไปใช้กับการไปเที่ยวนี่เหมือนกับเพิ่งเอาเงินไปทิ้งเหวทิ้งไปแล้วก็ไปเอากลับมาไม่ได้เงินที่เราทาบุญนี่เหมือนกับเงินที่เราเอาไปเก็บไว้ในที่รักษาที่ปลอดภัยสมัยโบราณท่านก็เอาไปฝังดินกัน เวลาที่เงินทองขาดแคลนก็สามารถไปขุดเอาเงินทองที่ฝังไว้ขึ้นมาใช้ได้ไม่สูญระไม่สูญไปเหมือนกับการเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวเงาเงินไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เหมือนกับเอาเงินไปทิ้งเหวทิ้งไปแล้วก็เอากลับคืนมาไม่ได้ไปเที่ยวปับ๊บความสุขที่ได้ก็หมดไปพร้อมๆกับการไปเที่ยว พอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปความทุกข์ที่เรากำจัดก็กลับมาคืนความทุกข์ที่เคยมีอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานพอกลับมาบ้านกลับมาที่ทำงานก็มาเจอความทุกข์แบบเดิมอีกจึงให้เปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาให้เราทำบุญทำทานแล้วเวลากลับมาบ้านจิตใจเราก็ยังอิอ่มเอบใจสุขใจสบายใจ ความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในบ้านก็จะหายไปจะไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความทุกข์มันได้รับการกำจัดไปอย่างจะว่าถาวรก็ยังไม่ถึงแต่ก็กำจัดแบบยาวนานกว่าการกำจัดความทุกข์แบบไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันะนะนี่คือขั้นที่หนึ่งอนุบาลเราทำกันได้หรื อ, อยังทำได้เท่าไหร่ ทำได้ร้อยละสิบหรือร้อยละยี่สิบหรือร้อยละสามสิบตอมต้นกอ็อาจจะขอแบ่งไปเที่ยวครึ่ง น, นึ่งไปทำบุญครึ่งหนึ่งก่อนบางคนอาจจะไม่ถึงครึ่งก็ได้ข อ, อตอนนี้ขอทำบุญแค่ร้อยละสิบก็แล้วกันออกร้อยละเก้าสิบขอไปเที่ยวก่อนยังอยากจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศยังอยากจะไปดูภาพยนตร์อยากจะไปอะไรอยู่ก็ไม่ว่ากัน แต่ต้องให้รู้ว่าวิธีการที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไรวิธีการที่ถูกต้องก็ต้องเอาเงินมาใช้กำจัดความทุกข์แบบถาวรกันแบบยาวนานกันมาสร้างความสุขแบบยาวนานกันอย่าเอาเงินไป ซื้อความสุขแบบประเดี๋ยวดาวประเดี๋ยวประเดี๋ยวเดียวแบบควันไฟกันะความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวนี้เหมือนควันไฟความทุกข์ที่เรากลับกําจัดก็เหมือนควันไฟหายไปปั๊บเดี๋ยวกลับมาแล้วความทุกข์หายไปปั๊บกลับไปเที่ยวนี้ความทุกข์ต่างๆหายไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านกลับมาที่ทํางานกลับมาเจอความทุกข์เหมือนเดิม แต่ถ้าไปทำบุญทําทานรับประการได้ว่าความทุกเวลาเรากลับมาที่ทำงานที่บ้านมันจะน้อยกว่าเก่ามันจะไม่เท่าเดิมเหมือนเก่าความสุขมันก็จะมีมากขึ้นกว่าเก่านี่คือขั้นที่หนึ่งของการที่เราจะาสร้างความสุขแบบถาวรกำจัดความทุกข์แบบถาวรก็คือเอาเงินที่เราจะไปซื้อ ความสุขแบบชั่วข่าวกำจัดความทุกข์แบบชั่วข่าวนี้มาใช้แบบยาวนานแบบถาวรดีกว่าคือด้วยการทำทานการทำทานนี้ทำได้หลายรูปแบบด้วยกันไม่จาเป็นว่าจะต้องมาทำที่วัดเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็อยากจะทำที่วัดก่อนเพราะว่าวัดนี้เป็นเหมือนกับ เป็นที่พึ่งของเราเราต้องดูแลที่พึ่งของเราให้สมบูรณ์ก่อนเพราะถ้าเราขาดวัดเราก็ขาดพระรัตนตรยัยเราก็จะขาดที่พึ่งผู้ที่จะมาสอนมาบอกวิธีสร้างความสุขที่ถาวรกำจัดความทุกข์ที่ถาวรให้กับเราในเบื้องต้นถ้าวัดวาขาดแคน เช่นพระสงฆ์องค์เจ้าบินถบาทอดอยากขาดแคนไม่พอกินถ้าท่านไม่พอกินท่านก็อาจจะไม่มีกาลังใจที่จะอยู่เป็นพระต่อไปท่านก็อาจจะลาสิกขาไปเพื่อไปทำมาหากินเลี้ยงปากของท่านดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องทำกับวัดก่อนทำกับให้วัดมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ เพื่อพระที่มาบวชจะได้มาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆพอท่านบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้แล้วท่านก็จะสามารถมาเป็นที่พึ่งของพวกเราได้เป็นมามาเป็นพระสังฆรัตนะให้กับพวกเราได้ดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธ เราก็ต้องคิดถึงวัดก่อนเวลาที่เราจะทาบุญทาทานกันและอีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องมาวัดอยู่อยู่แล้วเพราะวัดเป็นที่เราจะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองยังไงยังไงเราก็ต้องมาวัดกันดังนั้นเราก็ต้องมาทาวัดให้เป็นที่พร้อมต่อการศึกษาพร้อมต่อการปฏิบัติ วัดต้องมีพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะพระอริยสงฆ์ที่จะมาเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับพวกเราดังนั้นเบื้องต้นเราก็จะต้องทากับวัดทํากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเช่นการบิณฑบาตใส่บาตรหรือถ้ามาีกิจกรรมอย่างอื่น เช่นต้องการมีการสร้างกุฏิศาลาที่เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการทํากิจกรรมต่างๆเราก็ต้องมาร่วมกันทํากิจกรรมเหล่านี้ให้สาเร็จร่วงๆไปแต่ถ้าวัดมีพอเพียงแล้วทีนี้เราก็สามารถไปทาที่อื่นได้และก่อนที่จะมาทาที่วัดเรายังต้องทาที่บ้านก่อนด้วย เพราะเรามีพระอยู่สองรูปที่บ้านที่เราจะต้องทดแทนบุญคุณของท่านท่านมีพระคุณกับพวกเราคือบิดามารดานั่นเองเราจึงเรียกท่านว่าเป็นพระเพราะว่าท่านมีพระคุณกับเราการตอบแทนพระคุณของบิดามารดาก็เหมือนกับการตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระอหาหันต์เออเหั้น ท่านบอกว่าให้ทำบุญกับพระอาหารหันต์ที่บ้านก่อนให้พระอาหารหันต์ที่บ้านนี้อยู่อย่างสุขสบายไม่อดอยากขาดแคลนไม่เดือดร้อนก่อนพอพระที่บ้านเรียบร้อยอยู่อย่างสุขสบายแล้วเราก็ อ, ออกไปทากับพระนอกบ้านพอพระนอกบ้านเราได้ทำท่านมีพอเพียงแล้วเราก็กไปทำกับผู้อื่นต่อไป แล้วแต่ว่าที่ไหนสมควรที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปทำได้นะผลที่เกิดจากกรรทำมันก็ทางใจก็เหมือนกันคือได้ความสุขใจอิ่มใจนะที่จะเป็นสมบัติภายในของเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้ว เราก็ยังเอาสมบัตินี้ไปได้และเวลากลับมาเราก็ยังมาเบิกที่เราที่ธนาคารบุญได้อีกด้วยเราจะไม่กลับมาอดอยากขาดแค้นเราจะกลับมาอยู่สุขสบายถึงแม้อาจจะไม่ร่ำรวยขึ้นอยู่กับว่าเราทำมากทำน้อยอันนี้คือเรื่องของฐานเป็นการสร้างความสุขที่ยาวนานและ เป็นขั้นบันไดสู่การสร้างความสุขที่ถาวรต่อไปขั้นแรกก็คือฐานเราทำกันได้หรืออย่างเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขแบบชั่วคราวกำจัดแบบความทุกข์แบบชั่วคราวนี้เอามาใช้กับการทำบุญทำทานได้ร้อยละเท่าไหร่แต่เราตอนนี้ทำได้ร้อยละสิบเราก็ต้องเป้าตั้งเป้าให้มันมีเพิ่มมากขึ้น ต่อไปนี้เราจะเพิ่มเป็นน้อยละยี่สิบน้อยละสามสิบเราจะงดเที่ยวให้น้อยลงงดซื้อของฟุ่มเฟือยให้น้อยลงงดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้น้อยลงไปแล้วมาสร้างความสุขอทางใจดีกว่าเอ่วาสร้างความสุขแบบถาวรดีกว่าอด้วยการไปอยู่วัดไปถือศีลกัน เช่นวันหยุดทำงานเราไม่ต้องไปทำงานถ้าเราอยากจะมาสร้างความสุขแบบถาวรเราก็มาลองรักษาศีล5ศีล8กันดูเบื้องต้นก็ต้องหัดรักษาศีล5ที่บ้านก่อนอยู่บ้านวันธรรมดาไปทำงานทำการเราก็ต้องรักษาศีล5ควบคู่กับการทำบุญทําทานเช่นถ้าที่บ้านมีพบด เดินผ่านมาบินธบาสเราก็ใส่บาสก่อนทำทานก่อนแล้วก็รักษาศีลห้าให้ได้ไปก่อนในวันที่เราต้องไปทำงานหาเงินหาทองหรือวันที่เราไปหาความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นนสก็ต้องอยู่ในกรอบของศีลห้าอย่าทำผิดศีลห้าหาเงินทองก็อย่าไปหาแบบช่อโกงแบบลักขโมย อย่าไปทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะมันจะเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการกำจัดความทุกข์ถึงแม้จะกำจัดความทุกข์อย่างหนึ่งก็กลับมาสร้างความทุกข์อีกอย่างหนึ่งคือทุกทางใจทุกทางที่ดวงวิญญาณที่จะต้องไปรับต่อไปเวลาตายไปแล้วเพราะถ้าทำบาปแล้วบาปนี้จะเป็น ผู้ที่จะส่งให้ใจไปเกิดในอบายดวงวิญญาณจะไปอยู่ในอบายถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นเปรตเป็นนสุนรากายไปตกนรกเราจึงต้องรักษาสีนห้ากันเพื่อปิดประตูอบายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ทั้งปัจจุบันเวลาทำบาปนี้ทำแล้วใจจะไม่สบายใจจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัว ว่าจะถูกจับไปลงโทษเมื่อไหร่อันนี้ถ้าไม่ทำบาปความทุกข์ความกังวลก็จะไม่เกิดใจก็จะสบายทำทานใจก็จะอิ่มมีความสุขไปทำงานทำการก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับใครพอใจไม่ไม่มีความโลภความอยากได้อะไรเหมือนเมื่อก่อนใจมีทานหล่อเลี้ยงให้อิ่มใ ห, ให้พอ มีศีลนักษาไม่ให้เกิดความวิตกกังวลหวาดตัวต่ตางๆจากการกระทาที่เป็นโทษนั่นเองในเบื้องต้นของการศึกษาและปฏิบัติก็คือขั้นที่หนึ่งคือทานขั้นที่สองคือศีลห้าต้องหัดทำสองอย่างนี้ควบคู่ไปกันให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปสู่ขั้นศีลแปด และการไปอยู่วัดเพื่อไปฝึกสมาธิไปเจริญปัญญาไปเรียนเรื่องของอริยาาสัจสีเรื่องของตายลักษณ์เนี่ยเบื้องต้นเราต้องเอาทานทานให้มันสม่าเสมอให้ต่อเนื่องให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่จะเอาเงินไปเที่ยวถามตัวเองว่าเอาแบบไหนดี เอาแบบชั่วคราวหรือเอาแบบถาวรเอาแบบยาวนานดีถ้าเอาแบบยาวนานก็ไปทำบุญดีกว่าอย่าเอาไปเที่ยวให้ถามตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆถ้าไม่ถามไม่ใช้เหตุผลบางทีความอารมณ์มันจะดึงเราไปอย่างรวดเร็วพอเห็นอะไรสวยอยากซื้อทันทีพอมีเรื่องภาพยนตร์ใหม่มาอยากดูทันที อยากจะทำอะไรตามความอยากทำตามอารมณ์ทันทีต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาปัญญาคือเหตุผลว่าอันไหนดีกว่ากันความสุขแบบชั่วคราวกับความสุขแบบยาวนานที่จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปเอาแบบไหนดีกว่ากันถ้าใช้เหตุผลแล้วมันก็ต้องบอกว่าเอาแบบยาวนานเอาแบบที่ถาวรจะจะดีกว่า เห็นพอจะเอาเงินไปเที่ยวปั๊บก็เปลี่ยนไปเอาเงินไปทําบุญดีกว่านะนี่คือเราต้องมีการถามตอบตัวเราเองทุกครั้งที่เราจะใช้เงินถามว่าเราจะเอ า, เอาเงินไปใช้ในทางไหนใช้แบบชั่วคราวหรือใช้แบบถาวน์เอาเงินไปทิ้งเหวหรือเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารดีเเออ เอาเงินทิ้งเหวทิ้งไปแล้วก็ไม่เอากลับคืนมาได้เอาเงินไปฝากธนาคารนี่ต้องการใช้เมื่อไหร่ก็เบิกมาได้แต่ถ้าเรามีการถามตัวเราเองทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้เงินใช้ทองเนี่ยเราจะสามารถที่จะดึงใจของเราให้มาทําทานได้อย่างต่อเนื่องและทําได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถทําแบบเต็มร้อยได้ พราะผู้ที่จะไปทางนี้ในที่สุดก็จะต้องยุติการใช้เงินซื้อความสุขแบบเต็มร้อยเพื่อที่จะได้เอาเวลามาสร้างความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินแบบเต็มร้อยต่อไปได้คือการไปอยู่แบบนักบวชเป็นนักบวชนแต่ในเบื้องต้นก็ต้องแบ่งกันไปก่อนตามตามกาลังของ ของใจที่จะสามารถดึงเอาเงินจากการไปเที่ยวมาใช้กับการทำบุญได้มากน้อยเพียงไรแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องทำทานให้มากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะมีความเพียรพยายามที่จะไปทาตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้ทำไปตามอารมณ์ บางวันอารมณ์อยากจะไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญทําทานไม่ได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้อยู่ว่าจะต้องทําให้มากขึ้นมากขึ้นจะเอาเงินไปเที่ยวให้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเราก็จะได้พยายามทําตามที่เราตั้งใจไว้พอเราได้ตั้งใจแล้วพยายามทําต่อไปเราก็จะทําได้ต่อไปเราก็จะสามารถที่จะก้าวขั้น ของการปฏิบัติในการหาความสุขแบบถาวอนในการกำจัดแบบความทุกข์แบบถาวอนให้ขึ้นสู่ขั้นที่สูงต่อไปได้จากอนุบาลเราก็จะขึ้นสู่ขั้นปฐมได้ขั้นมัธยมได้ขั้นอุดมศึกษาได้ขั้นต้นเราก็เอาทำทานกับรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันทำทานให้มากขึ้น แล้วขั้นต่อไปก็วันพระวันหยุดก็ลองมาถือศีลแปดกันแล้วก็ทําบุญทําทานให้มากขึ้นเป็นพิเศษวันพระวันธรรมดาก็ทําแบบธรรมดาพอวันพระวันที่เราจะไปวัดไปถือศีลแปดไปฟังเทศฟังธรรมเราก็ทําทานให้มากขึ้นก็ได้นีอันนี้ทําไปแล้วต่อไป เบื้องต้นเราอาจจะไปแค่เช้าเย็นกับเพราะเรายังไม่รู้จากวิธีที่จะปฏิบัติคือการทำใจให้สงบทำสมาธิเพียงแต่ไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาให้เรียนรู้ว่าวิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวรกรรมจัดที่ถาวรนั้นต้องทำอย่างไรพอเราได้ยินได้ฟังเราก็จะรู้ว่าเราก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบการที่จะทําใจให้สงบเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องฝึกสติจเจริญสติก่อนเช่นการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสติจเจริญสติการเดินจงกรมก็เป็นการฝึกสติการมีสติอยู่กับการงานที่เราทำก็เรียกว่าเป็นการฝึกสติ ถ้าเราไม่มีสติเราจะควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ได้เวลานั่งสมาธิต้องการให้ใจสงบใจก็จะไม่สงบต้องมีสติก่อนนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราไปพระไปไปวัดในวานพระไปเรียนเรียนรู้วิธีสร้างความสุขแบบถาวรต้องไปวัดที่มีการปฏิบัติ ถ้าไปวัดที่ไม่มีการปฏิบัติก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติเพราะวัดที่ไม่มีการปฏิบัติก็จะสอนเพียงในระดับของการทาบุญทาทานของการรักษาศีลห้าแต่ถ้าเป็นวัดที่มีการปฏิบัติก็จะสอนมากกว่านั้นสอนวิธีรักษาศีลแปดสอนวิธีเจริญสติสอนวิธีนั่งสมาธิ และสอนวิธีเจริญปัญญาตามลำดับนพอเรารู้วิธีการต่างๆแล้วเราก็เริ่มไปปฏิบัติขั้นตอนก็ต้องถือศีลแปดให้ได้อดข้าวเย็นให้ได้หยุดยุดติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ได้ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่หาความสุขจากมหัศลสพบันเทิงต่างๆ ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้าอ่อนสีฉุดฉาติวิจิตพิสดารไม่หาความสุขจากการเสริมความงามทางหน้าทางเผ้าทางผมไม่เสริมความงามความสุขด้วยการมีกลิ่นหอมกิ่น้ําหอมฉโลมร่างกายเหล่านี้เป็นการเสพการรม เสบรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเราต้องการที่จะมาหาความสุขแบบที่ถาวรที่ยาวนานก็คือความสุขที่เกิดจากการเจริญสติเพื่อมานั่งสมาธิทําใจให้สงบนั่นเองเพราะถ้าเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิได้พอเข้าสู่สมาธิเราก็จะได้ไปสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือกว่ารสทั้งปวงก็คือรสของความสงบนั่นเองรสของความสงบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัตติสันติปรังสุขขังอยู่ที่ในสมาธิ อยู่ที่สติเป็นผู้พาเราเข้าไปถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถดึงใจให้เข้าข้างในได้เพราะใจจะถูกความอยากผลักดันให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลานั้นเองเราจึงต้องมาสร้างสติเพื่อผลักดันหรือดึงใจให้กลับเข้าข้างในถ้าสติมีกําลังมากกว่ากิเลสตัณหาสติก็จะดึงใจเข้าข้างในเข้าสู่สมาธิได้ ถ้ากิเลสตัณหามีความกำลังมากกว่าสติใจก็จะไม่เข้าไปข้างในใจก็จะถูกชุดให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสติกับกิเลสตัณหานี่จึงเป็นเหมือนคู่ต่อสู้กันเป็นธรรมะคู่ต่อสู้กันเป็นคู่ต่อสู้กันถ้าฝ่ายใดมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะได้จิตไป สายไหนมีกำลังน้อยกว่าก็จะเสียจิตไปถ้ากิเลสมีกาลังมากกว่ากิเลสก็จะเอาจิตไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าสติมีกำลังมากกว่ากิเลสสติก็จะดึงจิตให้เข้าไปในสมาธิให้เข้าไปหาลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงคือลถของความสงบที่เป็นนัตติสันติปารังสุขขังเนี่คือ เรื่องของขบวนการของการปฏิบัติที่จะพาให้เราได้เข้าไปสู่ความสุขที่ที่ยาวนานและถาวรในที่สุดเนี่ยขั้นสมาธินี้ก็ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ถ้าต้องการให้มันเป็นความสุขแบบถาวรก็ต้องเอาปัญญามาเสริม พอเรามีสมาธิแล้วได้ความสุขแบบชั่วคราวแล้วเราก็เอาปัญญามาเสริมให้กลายเป็นความสุขแบบถาวรเพราะปัญญานี้จะมาคอยทําลายกิเลสตัณหาตัวที่จะมาคอยทําลายความสงบของสมาธิให้หายไปนั่นเองมีความสุขของสมาธิที่หายไปก็เพราะหายเพราะกิเลสตัณหานี่เอง แต่ถ้าเรามีปัญญามาคอยกำจัด ก, กิเลสตัณหาที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิพอปัญญาทำลายกิเลสตัณหาได้ทุกครั้งความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะไม่หายไปและก็จะอยู่ต่อไปแลวจะอยู่อย่างถาวรถ้าปัญญาสามารถกำจัด ก, กิเลสตัณหาได้อย่างหมดสิ้นไป ถกิเลตัณหาไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้วอความสงบของสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบของพรานิชฐานไปเป็นความสงบแบบถาวรที่เป็นปรมังสุขขังความทุกข์ต่างๆที่ได้รับการกําจัดกิเลสก็จะหายไปหมดเนความทุกข์ก็จะหายอย่างท้าวรความสุขก็จะอยู่อย่างท้าวรต่อไปนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับ จากการที่เราเข้าหาพระรัตตนาไตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อศึกษาวิธีสร้างความทุกข์สร้างความสุขที่ถาวรกาจัดความทุกข์ที่ถาวรว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพอรู้ว่าต้องทำทานต้องรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดต้องหัดเจริญสติต้องหัดนั่งสมาธิต้องหัดศึกษาปัญญา ศึกษาอริยาศาสตร์ศึกษาไตรลักษณ์นี่พอเราได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสง่ ง, งสอนทุกขั้นทุกตอนอย่างเต็มร้อยทุกขั้นทุกตอนผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยตามลําดับต่อไปนี่แหละคือการเสริมศรัทธาประษาธะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเมื่อเราได้รู้คุณค่าของพระพุทธเจ้า แล้วเราเชื่อคําสั่งคําสอนแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติพอเราได้รับผลเราจะยิ่งเชื่อใหญ่เลยจะไม่มีวันเสื่อมคลายตอนต้นยังอาจจะเชื่อแบบไม่แน่ใจแต่พอนำเอาไปแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วทีนี้จะเชื่ออย่างหัวทิ่มดินเลยใครจะมาบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีไม่จริงนี้ไม่มีวันเชื่ออย่างเด็ดขาด เพราะรู้ว่าคนพูดนั้นเหมือนคนตาบอดพูดนั่นเองเราเป็นคนตาดีเราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใครจะมาบอกว่าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกับคนตาบอดมาบอกคนตาดีนั่นเองดังนั้นขอให้เราหมั่นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ท่านกำลังทำกันในวันนี้เถิดพยายามเข้าบ่อยๆมีเวลาว่างเมื่ อ, อไหร่เข้าวัดเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน ศึกษาแล้วปฏิบัติทำกันแล้วรับรองได้ว่าความสุขที่ถาวรและความดุดพ้นที่ถาวรจากความทุกข์นี้จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวาสมมิตาโตสัพเพประอนโตสังกปาจันโทปนะหราโสยถาณิโชติหระโสยทาสสะพิติโยวิวะจันโต สัพพโรโขวินาสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหทมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลา ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ขอให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่จะไม่ตอบหลังจากที่ปิดใหม่จะตอบแต่เฉพาะหน้าใหม่เพื่อคนจะได้รับประโยชน์เพราะเราก็อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกัน พอได้ฟังปัญหาของคนอื่นก็จะได้เอามาแก้ปัญหาของเราได้ด้วยฉนั้นขอให้ถือว่าเป็นการทำทานคํคาถามของเรานี่อาจจะเป็นประโยชน์กับของผู้อื่นก็ได้เห็นไม่ต้องอายถ้าอายก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาไม่ต้องถามเองก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ทาง f a c e b o o สอง3เจ็ดิบสามคน y o u t u สอง3 7สาสิดคนวิทยุออนไลน์สิบเกคนผู้รับฟังบนเขาร้อยยี่ิบสี่คนรวมทั้งหมดห5 3้อยห้าสิบสามคนครับถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมีคำถามจากทาง Facebook นะคะจากคุณธนากร ขอโอกาสครับพอเวลาปฏิบัติกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วรู้สึกท้อใจหมดกำลังใจขอคำแนะนำแก้ไขจากพระอาจารย์ด้วยครับก็อย่าไปสนใจคิดว่ามันเป็นอารมณ์ชัว่อวุ่เชื่อว่าขอให้เราพยายามฝึกสติไปแล้วก็อย่าไปหวังผลมากนักจากการปฏิบัติเพียงแต่ขอให้ได้ปฏิบัติก็ถือว่าได้ผลแล้ว เห็นขั้นต้นนี้ก็ต้องคอยพยายามสู้กับความท้อแท้เบื่อหน่ายต่างๆเพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้ผลมันก็เลยยังไม่มีกําลังจิตกําลังใจแต่ขอให้บอกว่าถ้าเราพยายามทําไปเรื่อยๆผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วพอผลปรากฏขึ้นมาทีนี้กําลังใจมันจะไหลมาเทมาของมันเองเรื่องตอนนี้ขอให้เรามีความเพียรพยายาม ขอให้ฮึดสู้ขอให้ตั้งเป้าว่าจะต้องนั่งนั่งกี่นาทีก็ต้องนั่งให้มันได้ครบนะอันนี้บองต้นเราอาจจะต้องใช้เวลากำกับบังคับแต่เป้าหมายจริงๆการนั่งนี้ไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่สติอยู่ที่ผลเราต้องนั่งให้ได้ผลผลจะได้ก็ต้องอยู่ที่สติ แต่ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่มีสติที่จะทําให้มีผลเราก็ต้องอาศัยความตั้งใจเป็นตัวบังคับให้เรานั่งนั่งใจว่าจะนั่งครึ่งชั่วโมงออก็ต้องนั่งครึ่งชั่วโมงให้ได้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะท้อแท้เบื่อหน่ายรู้สึกยังไงก็สู้กับมันไปอย่าหยุดแต่ต้องสู้แบบต้องสู้ด้วยอาวุธคือสตินะถ้านั่งสู้แบบอื่นนี่สู้ไม่ได้ ต้องพยายามใช้สติพุทธโธพุทธโธไปคำเดียวแค่นี้ทำไมจะท่องไม่ได้วะครึ่งชั่วโมงพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปแล้วมันไม่ต้องพุทธโธตั้งครึ่งชั่วโมงหรอกถ้ามันพุทธโธได้จริงๆห้านาทีสิบนาทีจิตก็สงบได้ดังนั้นขอให้เราอย่าไปสนใจกับความท้อแท้เบื่อหน่าย ให้เธอว่าเหมือนเหมือนกับเวลาเราทําไปทํางานแล้วมันยังไม่รู้ว่าจะได้เงินเดือนหรือเปล่านะเหมือนก็ ท, ท้อแท้ไม่รู้ทําแล้วจะได้เปล่าแต่ทําไปเถอดเจ้าของเจ้านายเขาอยากจะดูศรัทธาดูดูใจของเราว่าสู้ไหมอพอเห็นว่าเราสู้งานเดี๋ยวเงินเดือนออกเองพอเงินเนี่ออกพอเงินออเดือนออกแลทีนี้กําลังใจไม่รู้มาจากไหน ทีนี้อยากจะไปทํางานทุกวันนะมันหยุดก็อยากจะทำเพราะฉะนั้นเราต Mur ้องอย่าทอ้อแทเบเลยนะอย่าไปถือมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกเชื่อวูบชื่อวาบท่านเองอย่าไปสนใจมันให้เอาสติมาลบมันออกไปพอมันรู้สึกทอ้อแท้ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวไม่นานหนึ่งนาทีสองนาทีความรู้สึกนั้นมันก็จะหายไป คำถามจากคุณชุดติมาค่ะกาบเรียนถามเจ้าค่ะจิตส่งออกนอกเป็นบาปหรือไม่เจ้าค่ะเป็นกิเลสเนี่ยมันที่จะนําไปสู่การทําบาปต่อไปอพอโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ฮะก็จะไปหามาถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็จะหาวิธีทุจริตด้วยการทําบาปถ้าไม่ส่งจิตออกมันก็จะไม่มี ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาอะไรจิตอยู่ข้างในสงบมีความสุขดีกว่าได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านฉะนั้นพยายามดึงจิตให้อยู่ข้างในแล้จะได้ขุมทรัพย์อันมหาศาลเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงคาถามจากคุณวีราศักดิ์ค่ะกราบนำ้ำรสกรพระอาจารย์ครับผมขอากาศเรียนถามพระอาจารย์ว่า ทำฉะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะเพึงปรากฏชัดแก่เราได้หมายความว่าอย่างไรครับผมก็หมายถึงถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเหมือนกับเราเรียนหนังสือจากอนุบาลไปเรื่อยๆไม่หยุดเรียนเดี๋ยวก็ไปได้รับปริญญาอันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาไปตามกําลังของเรา ต่อไปมันก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกําจัดความทุกข์ได้มากขึ้นจนในที่สุดก็จะกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ทั้งหมด คำถามจากคุณปันดาค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเช้าเปิดดูถ่ายทอดสดย้อนหลังกิจวัตรของพระอาจารย์เห็นลูกศิษย์มายืนรอใส่บาตรแล้วเกิดอาการขนลุกทั้งตัวอย่างนี้คือการเกิดปิติหรือไม่คือเพราะจะเป็นแค่ช่วงขณะเดียวเท่านั้นเหตุ น, นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นกับทุกคนหรือเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่แต่ละคนก็มีต่อมของความรู้สึกนี้ไม่เหมือนกันบางคนได้เพียงแต่ได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งก็เกิดอาการขึ้นมาเห็นแต่เราชอบนักร้องคนโปรดนี่พอได้เห็นหน้านักร้องคนโปรดได้ยินเสียงก็นัองเพลง น, น, น้ำตาก็ไหลาพางออกมาก็ได้เห็นแต่ละคนนี้มีจุดมีต่อมของความปิติไม่เหมือนกันแล้วแต่ ว่าจะชอบสิ่งไหนพอได้สัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วก็จะเกิดอาการปิติขนุกสู้น้ําตาไหลขึ้นมาคําถามจากท่านที่มารับฟังข้างบนเขาเจ้าค่ะบทสวดมนต์มีหลายบทมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบทไหนเหมาะกับเราหรือแต่ละบทให้คุณอย่างไรเจ้าค่ะบทสวดมนต์นี้ก็มีเป้าหมายอยู่มีหน้าที่อยู่สองหน้าที่หนึ่งเป็นเครื่องเจริญสติ สองเป็นความรู้ให้ความรู้กับเราถ้าเราสวดไปไม่ว่าจะเป็นบทไหนเราใช้บทสวดมนต์เป็นการเจริญสติได้สวดมนต์ไปเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราก็จะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตจิตก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตจะมีความรับรู้ได้เร็วขึ้นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นจิตจะมีความสามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ อันนี้คือหน้าที่ที่หนึ่งของบทสวดมนต์ต่างๆถ้าต้องการสติจะบทสวดบทไหนเหมือนกันหมดเนยไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีความแตกต่างกันเลือกสวดบทที่เราจำได้ท่องได้เพราะการสวดที่จะได้ผลดีต้องแบบสวดแบบปิดปิดตาไม่เปิดตาไม่ไปดูหนังสือแต่เบื้องต้นถ้ายังจาไม่ได้ก็หัดท่องไปก่อน พอท่องได้แล้วก็สวดแบบไม่ต้องเปิดตาเพราะจะได้สติดีขึ้นไม่มีอะไรมาลบกวนใจหน้าที่ที่สองของบทสวดสวนมนต์ก็คือให้ความรู้เพราะว่าเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นมงคลมงคลเรสก็สอนเรื่องมงคลสามสิบปดธรรมจั ก, กปรปวัวตนสูตรก็สอนเรื่องอริยาสัจสี่มแปด แต่เราจะได้ความรู้จากบทสวดมนต์เหล่านี้เราก็ต้องอ่านคําแปลเพราะว่าบทสวดมนต์นี้เป็นภาษาแขกเราเป็นคนไทยไม่พูดภาษาแขกอ่านไปก็เลยไม่เข้าใจความหมายถ้าเราต้องการรู้ต้องการความรู้จากบทสวดมนต์ต่างๆเราก็ต้องไปอ่านคําแปลของบทสวดมนต์นั้นถึงจะได้ความรู้ คำถามจากคุณนัทธกิจค่ะนั่งสมาธิแล้วเผลอหลบับคิดฟุ้งซ่านสับประงกตลอดสติกระผมอ่อนมากขอแนวทางแก้ไขจากพระอาจารย์ด้วยครับก็ต้องขยานสร้างสติเวลานั่งอย่านั่งเฉยๆต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดแล้เดี๋ยวมันก็สติก็หมดเนี่พยายามพยายามหาัดพุดโทโธพุทโธบ่อย ตอนต้นก็ทํามันเวลาที่เรายังไม่ได้นั่งเวลาไหนที่เราไม่ต้องคิดอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแปรงฟันก็พุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธต้องหัดพุดโทโธไว้เหมือนกับหัดวิง่งถ้าเราไม่เคยวิง่งวิ่งได้สองก้าวก็เหนื่อยละแต่เราหัดวิ่งต่อไปมันก็วิ่งได้เป็นกิโลกิโล เห็นต้องพยามหัดพุทธโธพุทธโธบ่อยๆหัดพุทธโธอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิเราจะได้พุทธโธได้อย่างต่อเนื่องแล้วความฟุง้งซ่านความง่วงนอนก็จะไม่มีคําถามต่อไปจากท่านที่มารับฟังบนเขาเจ้าคะ่ะการภาวนาจําเป็นต้องพุทธโธอย่างเดียวหรือไม่ครับหรือภาวนาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสงบและมีสติ ข, ขึ้นได้ครับ ก็อารมณ์ที่ทำให้เราสงบมันมีอยู่ต้องสี่สิบชนิดด้วยกันถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราเอาสัมมาละหังก็ได้เอาธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะถ้าดูลมหายใจเขาออกก็ได้มีหลายวิธีแล้วแต่ที่เราจะเลือกเอาคำถามจากคุณคัญชิพค่ะเวลานั่งสมาธิแล้ว ได้ยินเสียงผ่านหูแปลความหมายว่าอย่างไรขอรับความหมายก็คือไม่ต้องไปสนใจมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ไมอะไรจะมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ผูกใจเช่นพุทโธพุทโธหรือ ล, ล, ลมหายใจเข้าออกคําถามจากทาง youtube เจ้าค่ะจากคุณสุวพัฒน์ เราจะสามารถฝึกวิปัสนาเลยโดยไม่ต้องเริ่มต้นที่สมถาก่อนจะได้หรือไม่เจ้าคะได้แต่ไม่ได้ผลไงเหมือนยังไม่ได้จบจบมหกไปขอเรียนปริญญาไงก็ไปเรียนเราไปเรียนรามดูสิเนี่ยไม่ต้องเข้าอนุบาลไปสมัครรามเลยดูว่าเขาจะรับหรือเปล่าเมืเอ่เ อ, เ, อเรายัางไม่มีภูมิเราจะไปเรียนวิปัสนาได้ยังไง การที่จะไปเรียนวิปัสสนาต้องมีสมาธิเป็นภูมิก่อนคำถามจากคุณชาณรงค์ค่ะหากจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากจุดไหนครับพอเท่าที่เห็นมีหลายวิธีมากครับตอนนี้เหมือนเด็กหัดเดินขอความเมตตาจากพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับก็อย่างที่เทศให้ฟังวันนี้เบื้องต้นก็เอาเงินที่ไปเที่ยวมาทาบุญทาทานได้หรือเปล่า สองรักษาสีหน้าได้หรือเปล่าพอได้สองขั้นนี้แล้วก็ไปขั้นที่สามไปรักษาสีแปดไปอยู่วัดได้หรือเปล่าไปอดข้าวเย็นไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิได้หรือเปล่าอันนี้เป็นขั้นต่างๆที่เราจะต้องผ่านคำถามต่อไปเจ้าค่ะบางทีเราภาวนาพุทโธออกเสียงพอสักพัก มันหยุดเองนิ่งลงไปสงบอยู่พักหนึ่งอย่างนี้ภาวนาถูกต้องไหมครับถ้ามันนิ่งสงบก็ถูกต้องคําถามจากแม่ชีเอชิสา ก, กันเจ้าค่ะมีสองคำถามคําถามจากผู้ปฏิบัติธรรมจากธรรมะในสวนขอความเมตตาหลวงพ่อข้อที่หนึ่งถ้าลูกต้องการจะบทชีแต่พ่อแม่และครอบครัวยังมีภาระหนี้สินอยู่ ถ้าเรามาบวชไม่ได้ช่วยเหลือในภาลานี้สินของครอบครัวลูกจะผิดบาปหรือไม่เจ้าคะถ้าเราไม่ได้เป็นผู้สร้างนี้สินนั้นขึ้นมาก็ไม่น่าจะมีาภาระที่เราจะต้องไปใช้นี้นอกจากว่าเราอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่การทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่มีหลายรูปแบบด้วยกัน การบวชชีก็เป็นการทดแทนบุญคุณได้อีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าการหาเงินทองมาใช้นี่ให้พ่อให้แม่เพราะว่าหาบุญหากุศลได้ต่อไปเอามาแบ่งให้พ่อให้แม่ได้พ่อแม่อาจจะได้บวชตามเราก็ได้ต่อไปถ้าเราบวชถ้าเราไม่บวชพ่อแม่ก็จะไม่ได้บวชการบวชนี่มันดีที่กว่าได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้าน คำถามข้อที่สองเจ้าค่ะอีกหนึ่งวันจะต้องออกจากการปฏิบตัติลูกขอทําในการปฏิในการไปปฏิบัติต่อกราบขอพระคุณเจ้าค่ะก็ทํำบาป ท, ที่เราทําอยู่ในขณะที่อยู่ในสวนทําได้มากได้น้อยก็พยายามทําต่อไปอย่าทิ้งมันถ้าไหวาพ้พระสวดมนต์เช้าเย็ยนได้ก็ไหวพ้พระสวดมนต์ต่อไปหลังจากไหวพ้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิได้ก็นั่งต่อไป การรักษาศีลแปดไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนมีโอกาสทำบุญทาทานได้ก็ทำไปทำกับพ่อกับแม่ก่อนก็ได้แล้วค่อยออกไปทำนอกบ้านเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวไปทำอย่าเอาเงินอย่างอื่นไปทำเงินที่จะต้องใช้กับสิ่งที่จําเป็นเอาไปทำไม่ได้เอาเงินที่จะไปใช้กับการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้เอาไปทาเสียมันจะได้ไม่ไปทา ทำไปไปไปใช้กับกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยการเที่ยวนี่มันถึงแม้จะเป็นความสุขมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดนะเที่ยวแล้วมันติดแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภยัยต่อไปเวลาที่ไม่ได้เที่ยว คำถามจากคุณรีดดิง้งกับ o ุกเจ้าค่ะการสวดมนต์ในใจกับการออกเสียงอย่างไหนดีกว่ากันครับถ้าต้องสวดเพื่อให้ได้สติให้ความสงบสวดในใจจะดีกว่าถ้าสวดเพราะว่าต้องไปร่วมกันสวดถ้าไม่สวดสวดในใจบอกให้คนอื่นสวดเขาจะหาว่าเราเห็นกับตัวเพราะเหมือนกับว่าเป็นวงดนตรีต้องมีเสียงออกมาพร้อมๆกันจะได้ดังจะได้มีพลัง คนสวดจะได้มีกำลังใจสวดเห็นขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราสวดคนเดียวสวดข้างในดีกว่าถ้าอยู่ที่ศาลาที่โบสถ์เขาสวดออกเสียงกันเราก็ต้องช่วยออกเสียงเพราเวลาเสียงมันดังแล้วคนสวดจะรู้สึกมีกำลังมีกำลังใจที่อยากจะสวดคำถามจากคุณลีเจ้าค่ะจิตมีนิสัยดั้งเดิมไหมครับ แล้วหากเราอยากกลับไปยังนิสัยจิตเดิมเรามีวิธีไหมครับพระอาจารย์ขอบคุณครับเอนิสัยจิตเดิมก็สงบไงก็ในสมาธิไงถ้าจิตสงบจิตก็จะจิตก็เป็นจะเป็นจิตเดิมถ้าอยากจะกลับไปจิตเดิมก็ต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบแต่จิตเดิมนี้ไม่ได้เป็นจิตบริสุทธิ์นะยังเป็นจิตที่มีกิเลส ที่พร้อมที่จะออกมาอาวาสได้ทุกเวลาเวลาที่ไม่มีสติควบคุมจิตให้สงบกิเลสก็จะออกมาอาวาสต่อไปได้ถ้าอยากจะทำจิตให้เป็นจิตจิตเดินเป็นจิตบริสุทธ์ก็ต้องกาจัดกิเลสที่มีอยู่ในใจให้หมดไปทำให้สงบแล้วก็กาจัดกิเลสที่มีอยู่ให้หมดไปก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธ์กลายเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ไป คำถามจากคุณอัศวินค่ะพุทโธต้องภาวนาพร้อมกับจังหวะหายใจเข้าออกหรือไม่หรือนึกพุทโธโดรัวไปเลยครับอย่างได้อย่างหนึ่งได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะถนัดถ้าชอบพุทโธอย่างเดียวก็พุทโธไปถ้าชอบผูกพุทโธไว้กับลมหายใจก็ผูกไปได้ทั้งสองแบบแล้วแต่จะพอพอใจจะถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปอันนี้คำถามหมดแล้วค่ะคหมดแล้วนะ